คำว่าชักชวนกันคือชักชวนกันว่าพวกเราไปกันเถิดน้องหญิงพวกเราไปกันเถิดพระคุณเจ้าไปกันเถิดพระคุณเจ้าพวกเราไปกันเถิดน้องหญิงพวกเราจะไปวันนี้พรุ่งนี้หรือวันมะรืนนี้ต้องอบัตทุกกฎคำว่าโดยที่สุดแม้ชั่วระแวกบ้านหนึ่งคือหมู่บ้านหนึ่งกำหนดชั่วไก่บินตกต้องอบัตปาจิตีทุกทุกระแวกหมู่บ้านในป่าที่ไม่มีหมู่บ้านต้องอาบัตปาจิตีทุกทุกกึ่งโยอ คำว่านอกสมัยคือยกเว้นสมัยที่ชื่อว่าหนทางที่จะพึงไปด้วยกองเกวียนคือไม่สามารถจะไปได้เว้นไว้แต่ไปด้วยกองเกวียนที่ชื่อว่าหน้าหวัดระแวงคือในหนทางนั้นปรากฏที่อยู่ปรากฏที่กินปรากฏที่ยืนปรากฏที่นั่งปรากฏที่นอนของพวกโจรที่ชื่อว่ามีภัยน่ากลัวคือในหนทางนั้นปรากฏมีมนุษย์ถูกพวกโจรฆ่าปรากฏมีมนุษย์ถูกปล้นปรากฏมีมนุษย์ถูกทุบตี ภิกษุพาไปตลอดที่มีภัยน่ากลัวพอเห็นที่ปลอดภัยพึงส่งภิกษุณีทั้งหลายไปด้วยกล่าวว่าพวกเธอจงไปเถิด